ุทวสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะรายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพงศ์ดำเนินรายการก็มาพบกับท่านฟังกันอีกแล้วนะคะที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟเอร้และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติซึ่งนับวันก็ได้ยินว่ามีคนฟังเพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้ดิฉันได้ไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมามีพิธีทอดพระป่าการศึกษาก็ได้ไปพบกับ ในแพทย์รัศมีและคุณหญิงด็อเตอร์สมปองวันนิสอนซึ่งเป็นพรยาของท่านแล้วก็เป็นผู้มีกิตัทธานในการบริจาคให้กับพระศาสนาโดยเฉพาะทางด้านการศึกษานี่มากเหลือเกินนะคะเช่นที่ดินแปลงที่ได้สร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาตรงวังน้อยยทั้งหมดก็เป็นของท่านแล้วก็ยังมีที่มหามกุฏด้วยยังรวมไปถึงการสนับสนุนในส่วนอื่ น, อ, น, อ, นอีกมากมายพอท่านเจอหน้าเดฉันท่านก็ถามว่า ท่านก็บอกว่าท่านฟังรายการวิทยุตอนเช้าเนี่ยค่ะนะคะก็รู้สึกยินดีแต่เพื่อจะให้รายการของเราดำเนินไปอย่างถูกใจท่านที่ติดตามรอจะปฏิบัติธรรมอยู่ก็ไปพบกับพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ตอนนี้กันเลยนะคะนมัส ก, การะท่านคะ่ะเจริญพรเช้าวันนี้เราก็มารับวันใหม่กันอีกด้วยการจเจริญอาณาปานสติ ทำความเพียงเผากิเลสทำจิตให้หลุดพ้นกันใช้เวลาสั้นๆนี้แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงแสวงหาคือการแสวงหาเมฆผลวิภานอันเป็นทรรทีม่มีมีความเกิดความแก่ความตายถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันได้เลยสมาเจริญอาณาปานสติตามแบบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกสอนไว้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 หายใจเข้าและหายใจออกทำกายสังขารคือความพรุงแต่งทางกายให้รำงับอยู่หายใจเข้าและหายใจออกหากคิดเราหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามความสุขความทุกข์อดีตอนาคตพระองคก็ให้เราได้วางความคิดนั้นเสีย เรียกว่าการละนันทิหรือการละความเพลินแล้วให้เรากลับมามีสติระเลิกรู้อยู่กับลมหายใจของเราพรื่งแต่ว่า ล, ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นอารมณ์ที่เป็นที่ชอบใจหรือไม่เป็นที่ชอบใจ ก็ให้วางอารมณ์นั้นให้ไว้ดุดกระเพาะตาถ้าเราทําได้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอิริศีภานาชั้นเลิศแล้วพระสูตรในวันนี้จะนําเรื่องของมัคมีองแปดมาให้ฟังที่พระองค์ตรัสกับภูมิชาว่าถ้าเรามาเจริญมัคมีองแปดอย่างดีแล้วก็จะให้ผลกับเรา ไม่ว่าเราจะหวังผลนั้นหรือไม่ได้หวังก็ตามอันที่พระองค์ได้ตรัดไว้กับภูมิชะว่าภูมิชะชนเหล่าใดเหล่านึงจะเป็นสมณะหรือพรามก็ตามเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องมีความมุ่งหมายถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการทำงานถูกต้อง มีการดำรนิชีพถูกต้องมีความพยายามถูกต้องมีความประลึกถูกต้องมีความตั้งจิตมั่นไว้อย่างถูกต้องชนเหล่านั้นถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่หวังผลก็ต้องได้รับผล ถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยทั้งหวังผลและไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ไม่ใช่ไม่หวังผลก็ไม่ใช่ก็ยังต้องได้รับผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ทําแล้วโดยรากเงา ภูมิช้าเช่นเดียวกับบุรุษผู้ต้องการน้ำมันส่องหาน้ำมันเที่ยวสแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางปราบผมด้วยน้ำแล้วคันด้วยไปแม้บุรุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและความไม่หวังทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ ความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามเมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางปราบผมด้วยน้ำแล้วคันอยู่เรื่อยไปบุรุษนั้นก็ต้องได้น้ามันอยู่เองข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้น้ามันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบขายฉันใดก็ชั้นนั้น ดังนี้แล้วดังนั้นในประสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้กำลังใจกับเราว่าถ้าเรามาเจริญมรรคมีองค์แปอย่างถูกต้องไม่ว่าจะหวังผลก็ตามหรือไม่ได้หวังผลก็ตามเราก็จะต้องได้รับผลอยู่ดีเพราะว่าเหตุแห่งการได้ผลนั้นเราได้ทำแล้วโดยแยบคายซึ่งเหตุแห่งการได้รับผลนั้นก็คือการที่เรามาเจริญมรรคมีองค์แ มีสติอยู่กับกายแล้วก็การรักความเพลยนในอารมณ์นี้เองวันนี้เราก็ทําความเพียงไปได้สมควรแก่เวลาเนี่ยพรุ่งนี้เรามาเจริญอนาณาปานาสติและฟังพุทธวจนะกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ต้องบอกว่าพุทธวจนะบทนี้ทําให้มีกําลังใจจริงๆนะคะ ใ, ในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ฟังชื่อแล้วดูเหมือนกับยากคืออริยมรรคมีองค์แปดพรุ่งนี้มาฟังเพื่อความเชื่อมั่นกันต่อเป็นพระพุทธรัตั์เองใช่ไหมคะท่านถูกต้องนะคะ วันนี้ในมห ก, กรรมขอบพระคุณพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิบค่ะในมห ก, กรรมค่ะทั้งคะ